ท่านผู้ฟังเคยสังเกตรหรือไม่ว่าต้นไม้หรือพืชพันธัญอาหารอะไรก็ตามที่มันเติบโตอยู่บนผืนดินเนี่ยมันจะโตเร็วให้ผลดออีมีความแข็งแรงมีความมั่นคงเติบโตมีใบดอกมีกิ่งมากมีผลสวยงามต่างๆมันเป็นที่ที่ดินที่น้ำามีส่วนอย่างมากดินถ้าดินดีน้าดีอากาศด้วยอากาศก็มีส่วนอย่างมาก นะอากาศดีพวกนี้จะส่งผลที่จะให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตได้อย่างดีและถ้าบอว่าเราปลูกต้นเช่นต้นมะม่วงหรือว่าต้นชมพู่หรือว่าต้นลำไ ย, ยนะผลที่มันจะออกมาเนี่ยมันก็จะออกลูกดกลูกเยอะนะมอีความที่หวานมีรสชาติดีนะ น, นี่ก็จะส่วนหนึ่งทีนี้ไอ้ดินดีๆเนี่ยต้อหวังที่ถ้าบอว่ามันมีต้นอื่นๆ เช่นเป็นต้นสะดาวอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งลูกมันจะขมนะหรือว่าบวบขมพันน้ำเต้าขมพวกนี้มันจะทำให้ต้นนั้นยิ่งก็โตดีเหมือนกันนะไม่ว่าต้นไม้แบบไหนก็ตามมาเจอดินดีน้ำดีอากาศที่ดีเหมาะสมกับพันต้นของมันมันก็จะโตเร็วเหมือนกันไม่ว่าต้นนั้นจะเป็นพืชพันที่ให้ผลเป็นรสหวานชุ่มจําก็ตามหรือว่าพืชพันนั้นจะให้ผล มีความขมความเปิดร้อนก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าแม้มันมันน่าอัศจรรย์ใจมากๆตั้งแต่สมัยเด็กแต่สมัยเด็กๆก็เรียนวิทยาศาสตร์นี่แหละเอ๊ะเราก็ทดลองต่างๆดูนะมีการปลูกพืชปลูกไร่อย่างที่ตามหลักสูตรเขาให้เคยเรียนกันมาปลูกต้นไม้ตอนนั้นทําการทดลองคือปลูกต้นถั่วงอกนี่แหละทําการทดลองปลูกต้นถั่วงอกเอาดินที่ดีกับดินที่ไม่ดีมานํามาทําการทดลองปลูกเพราะว่าถั่วงอกมันโตเร็วใช่ไหม อาทิตย์สองาทิตย์ก็จะรู้ผลการทดลองอะ่ะเอว่าอ๋อดินไม่ดนะีต้นไม้โตช้าดินดีต้นไม้โตเร็วนะเป็นลักษณะคือเราควบคุมที่ตัวต้นไม้ให้เหมือนเหมือนกันนะแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของดินนะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยก็จะทําให้ทราบว่าต้นไม้เติบโตดีไม่ดีอย่างไรมีอันผลการทดลองอันหนึ่งที่น่าสนใจในะอันนี้ข้าพเจ้าจําได้สมัยตอนเด็ ก, เ, ดกเรียนมัธยมนะทําการทดลองชนิดนี้ ก็เอาน้ำหนักเนี่ยมาชั่งนะพบว่าต้นไอ้ต้นถั ง, งอกมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรใช่ไหมเอาน้ำหนักมาชั่งนะเอาดินมาชั่งเอาน้ำที่เราลดไปนะว่ากี่กรมัมกี่ลิตรกี่ซี ซ, ซีเราลดไปรดไปเท่าไร่เท่าไร่ก็ชั่งไว้ชั่งไว้เก็บข้อมูลเอาไวนะ้พบว่ า, าต้นไม้ที่โตขึ้นมาเนี่ยดินที่ปลูกต้นไม้เหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะปริมาตรของดินมวลของดินเท่าเดิม แด่ไอ้ที่มันโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้เนี่ยนะเพราะว่าน้ําที่เราใส่ลงไปน้ําที่เราลดลงไปในดินนี่แหละต้นไม้มันก็ดูดอาจจะดูดสารแร่อะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะปรุงแต่งออกมากลายเป็นต้นไม้ออกมาแล้วในขณะที่ดินนั้นมวลสารนี่แทบจะไม่ได้ลดลงไปเลยนะบางจุดวัดไม่ได้ด้วยซ้ำํำนะบางจุดวัดได้แค่0ูนอย่างนี้นะคือแทบจะไม่ลดลงไปเลยนะแสดงว่าไอ้เจ้ามวลสารของต้นไม้ที่มันโตขึ้นมาเนี่ย มันก็เป็นน้ํำอะไรต่างๆที่มันรดเข้าไปนะดินนี้เพื่อที่จะให้เกลือแร่อะไรต่างๆเฉยๆในะการทดลองอันนี้ก็ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าประหลาดใจเหมือนกันนะว่าต้นไม้ที่มันโตมามาันโตจากน้ํานำะดินเป็นเครื่องช่วยเฉยๆที่ว่าป่าตะไหนโศกนี่ก็มีตัวอย่างหนึ่งดันะงเราจึงมาศึกษาคําสอนพระเจ้าแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆแล้วนะมันมีต้นมะตูมนะต้นมะตูมอยู่ต้นหนึ่งซึ่งต้นมะตูมนี้ หลวงพ่อท่านปลูกไว้ตั้งแต่ปี2525 25, โดยนําพันธุ์มาจากประเทศอินเดียรูปมะตูมนี้ก็มีขนาดใหญ่กว่ามะตูมไทยที่เราอาจจะเคยเห็นกันอยู่เอามาต้มน้ํากินอย่างนั้นจะใหญ่กว่ามะตูมพันธุอินเดียนี้ก็จะใหญ่ขนาดประมาณ2กํามือ2กํามือแต่สมมุติเรากํามือซ้ายขึ้นมาเนี่ยกัมมือนี้ก็ขนาดประมาณหัวใจของเราใช่ไหมเอากํามือขวาร่วมเข้าไปด้วยวก็จะเป็นขนาดของต้นมะตูมนี้ ท่านข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้กินผลมัมาตลอดนับตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่นะมันผลมันตกลงมาก็ให้สามเณรเค้นให้หรือให้คนวัดนับประเคนให้นะก็มีคนสวัสดิ์ปัญญานําประสงค์ที่มีอาการไม่สบายก็สามารถรับประทานได้ต้นมะตูมนี้ก็มีรสหวานที่น่าสนใจในฝังคือว่าข้างๆต้นมะตูมนี้นะเดินไปประมาณสัก1ิก้าเท่านั้นเองนะข้างๆกัน ก็มีต้นสะดาอยู่ต้นหนึ่งต้นสะดานี้ไม่ได้ปลูกที่มัฝั่งนต่มันโตของมันเองไม่รู้ตั้งแต่ปีไหนแต่วันห่างกันแค่ประมาณสัก1ิก้านี่แหละก็คือดินเดียวกันนั่นแหละในบริเวณเนื้อที่เดียวกันฝนตกก็ตกด้วยกันดูดเกลือแร่สารอะไรต่างๆก็จากดินนันเดียวกันนี้และปรากฏว่าต้นสะดานี้ในะรสชาติของมันในะผลของมันออกมาเนี่ยท่านฟังเคยเห็นต้นผลของต้นสะดาเนี่ย มันก็จะเล็กๆประมาณองุ่นเม็ดเล็กๆหรือว่าปลายก้อยของเราแค่นั้นเองผลของมันก็มีรสชาติขมใบมันก็ขมนะกิ่งมันนี่ด้วยความขมนี่บางทีก็เอามาทําเป็นสีฟันนาะไม้มาขูด ๆ, ๆฟันนะเพื่อที่จะให้รสขมมันมาเหมือนกับลักษณะการแปลงฟันประเด็นก็คือว่าทําไมทั้งๆที่ดินเดียวกันน้ําเดียวกันนะต้นมะตูมได้ผลออกมาเป็นผลที่หวานมีรสชาติดี ในขณะที่ดินเดียวกันน้ำเดียวกันต้นเสดาวนะผลออกมาขมขมขณะว่านกก็ยังไม่กินนะคือก็ไม่เคยเห็นนกมากินสทัทีเวลามันช่วงฤ ด, ดูที่มันออกผลนะอย่างเช่นช่วงนี้เป็นต้นนะหลังจากที่ฤ ด, ดูหนาวหมดไปแล้วเนี่ยนะก็จะมีผลออกละทีนนะผลของต้นมะตูมที่ออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะเริ่มตกมาเราก็จะได้ ก, กิน ผลที่หวานมีรสชาติดีผลของต้นสดาวก็ออกเหมือนกันทั้งประวังแล้วออกมาแต่ไม่มีตัวอะไรไปกินผลของมันนะเพราะว่ามันขมนกก็ไม่กินผลมันก็หล่นเรี่ยราดอยู่บริเวณที่โคนต้นมันนี่แหละนะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยความที่ผลมันเน่านะไม่มีตัวอะไรไปกินผลมันเน่ า, มาแมลงก็ไม่กินนกก็ไม่กินก็มันก็เน่าไปเหม็นอีกต่างหากนะทาไม ดินเดียวกันน้ำเดียวกันแต่ต้นไม้ประเภทหนึ่งออกผลมารถหวานรสชาติดีแต่ต้นไม้อีกประเภทหนึ่งมีรสขมและรสไม่อร่อยรสเผ็ดร้อนด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นได้อยู่ในปัจจุบันนะบงพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบอันนี้เอาไว้เดีวเพื่อที่จะบอกว่าไ อ, อยางมะตูมอย่างเงี้ยเป็นพันธุ์พืชที่ดีนะส่วนต้นสาแาเป็นพันธุ์พืชที่ชั่ว มันจึงให้รสขมพันธุ์เบื่ที่ดีมีต้นมะตูมมีอ้อยมีอ ง, งุน่นเะป็นต้นจะมีรสชาติหวานในขณะที่มีสะเดาวบวบขมน้ำเต้าขมพวกนี้จะมีรสชาติขมนะ้ำว่าปลูกข้างๆกันเรนะก็จะเป็นอย่างนี้นะปลูกดินต่อให้ดินดีมันยิ่งจะออกผลมาไอ้ความที่ต้นมันจะโตเป็นของขมมันก็ยิ่งโตเร็วนะมีผลดกเอา้มามะตูมก็เหมือนกันนะอ ง, งุ่นก็เหมือนกันถ้าดินดี มันก็โตเร็วมีผลดกนะถ้ามีดินมีน้ําดีอันนี้เปรียบเทียบกับอะไรท่านผะู้ฟังเด้๋วเปรียบเทียบกับจิตใจของมนุษย์นี่แหละเราเจอผัสสะเหมือนๆกันยกตัวอย่างเช่นนายขาวกับนายดํานายขาวก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับนายดํำสองคนเป็นเพื่อนกันตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันได้ฟังเสียงเหมือนๆกันได้เห็นรูปเดียวเดียวกันนะแต่ปรากฏว่านายดํานั้น นะทำสิ่งที่ไม่ดนะีตอบสนองสิ่งที่ไม่ดีด่าว่ามีคำพูดที่ไม่เหมาะสมออกมาส่วนนายขาวกนะับพูดดีนะมีกําลังใจในการแก้ไขนะอยู่ในสถานการณ์ทําความดีขึ้นมาได้นะเราเห็นได้ในปัจจุบันเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้สถานการณ์การเมืองเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อากาศเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนได้รับผลคล้ายๆกัน ก็เหมือนกับผัสสะที่มากระทบแล้วคล้ายๆกันเหมือนกับต้นไม้ที่ดินมีสภาพคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วปลูกอยู่ที่ดินพื้นเดียวกันทําไมต้นหนึ่งนาะออกผลมาเป็นหวานเป็นของดีอีกต้นหนึ่งออกเป็นของขมเนาะเพราะว่าต้นมันอนะมันอยู่ที่ต้นมันต้นมันเป็นยังไงพันุ์มันมาเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันท่ผู้ฟังจิตของเราเป็นอย่างไรถ้าจิตของเรา นะพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีผลที่จะได้รับออกมาก็จะเป็นความไม่ดีเป็นความชั่วเป็นความบาปในขณะที่ถ้าเราเจอปัจฉาแบบนี้แบบนี้เรายังมั่นคงในความคิดดีพูดดีทำดีอยู่ได้นะผลที่จ อ, อกมาก็จะเป็นความสุขความหวานความชุ่มฉ่ำเหมือนกับผลของต้นไม้ท่านผู้ฟังลองคิดดูในใจของเราเนี่ยมันมีทั้งพันดีและพันชั่วอยู่ในใจของเรา เนื้อเชื่อาษาแบบนี้บางคนก็สามารถทรงอยู่ในมรรคตั้งจิตให้อย่างดีปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดได้อันนั้นก็คือว่าเขามีพันธุ์ดีอยู่ในใจของเขาบางคนทําไม่ได้คิดชั่วมีความโกรธมีความมิจฉาสังกปะเกิดขึ้นนะด่าว่ามีมิจฉาวาจาเกิดขึ้นอันนั้นก็แสดงว่ามีพันธุ์ชั่วอยู่ในใจของเขาพืชพันธุ์ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่นะทั้งดีก็มี ทั้งไม่ดีก็มีคือคนที่เราว่าไม่ดีส่วนใหญ่จะไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าเขาคิดแต่ชั่วอย่างเดียวแต่บางทีเขาคิดดีก็มีบางทีเขาทําดีก็มีบางทีเขาพูดดีก็มีแต่เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็าอาจจะพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีอันนั้นก็คือมีพันธุ์ที่ชั่วเนี่ยพันที่ไม่ดีอยู่ในใจก็มากแต่เรเหมือนกับต้นไม้ที่เวลามันโตแล้วมันปกคลุมอีกต้นหนึ่งหแต่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันโตมาด้วยกันเนี่ยไหนจะแย่งแสงแดดแย่งอาหารกัน มันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณรดน้ําต้นไหนล่ะถ้าเบอกว่าคนที่เขาไม่ดีคนเขาไม่ดีแสดงว่าเขาเนี่ยไปรดน้ำปรวนดินใส่ปุย๋ยไอ้พืชพันธุ์ที่มันจั่วมากกว่านะทําให้ผลของต้นนั้นมันก็จะออกดกมากกว่าต้นโตเร็วกว่าแย่งแสงแดดมากกว่าะมันก็จะปกกลุ่มไอ้ต้นไม้ที่ดีพันธุ์ที่ดีตรงนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าเบอกว่าเราไปรดน้ำปรวนดินใส่ปุย๋ยต้นไม้ที่เป็นพืชพันธุ์ดี ในะมีต้นมะตูมเป็นต้นเนี่ยต้นมะตูมก็จะโตเร็วนะใน้ผลดีมาปกคลุมไอ้เจ้าพืชพันธุ์ที่ไม่ดีมีต้นสะดาวเป็นต้นเนี่ยพืชพันธุ์ดีนั้นเนก็จะมีความดีความงามความมากกว่าแในะเป็นลักษณะของคนดีในะที่มีพืชพันธุ์ดีอยู่ในใจของเขาอะไรที่เปรียบเสมือนอการรดน้ําการบริโดินการใส่ปุ๋ยตรงนี้นั่นคือปัจจัย น, นเองนะกฟังมีปัจจัยมากระทบเมื่อไหร่ในะนั้นคือน้ําคือปุ๋ย แต่ที่มันจะมารดต้นไม้ของเราถามว่าในใจของเราเนี่ยที่มันมีทั้งสิ่งที่เป็นเหมือนกับความดีอยู่ด้วยในใจของเรามีทั้งสิ่งที่เป็นเหมือนกับความชั่วเป็นพันุ์ที่ไม่ดีก็มีแล้วถามว่าคุณจะเอาน้ําที่มัอนเข้ามาเนี่ยลดต้นไหนหลังคุณจะเอาน้ําที่เข้ามานี้รดต้นที่ดีหรือรดต้นที่ไม่ดีชุดจะลดต้นที่มีพันธุ์ชั่วหรือรดต้นที่เป็นพันธุ์ดีอันนี้เราต้องเลือก ซึ่งถ้าเราเลือกรถต้นที่เป็นพันชั่วพันชั่วนี้มันก็จะค่อยโตมากขึ้นโตมากขึ้นแล้วมันก็จะมาปกกลุมต้นที่ดีพระย่าบอกอย่างนี้บอกว่าบุคคลที่ตรึกตรึกในเรื่องใดๆดมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราตรึกตรึกในเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเราตรึกตรึกเป็นอย่างมากในเรื่องของความพยาบาทคิดอยู่นั่นน่ะพิจารณาอยู่นั่นน่ะเรื่องความไม่ดีของคนหนึ่งความชั่งของคนหนึ่งคิดพิจารณาแล้วอ้าวความไม่พยาบาทก็ถือว่าเป็นอันละแล้วแล้วก็เหมือนนนกับคุณร้ําใ พืชพันธุที่เป็นพันชั่วแต่ถ้าเราน้นําจิตไปนักคิดในเรื่องแนวทางออกจากกรามพิจารณาในเรื่องการไม่เบียดเบียนมากๆ่ทําทเป็นอย่างมากทําเป็นอย่างดีแล้วก็ชื่อว่าละไอ้ความคิดในทางพยาบาทละความคิดในทางเบียดเบียนคนอื่นซักเช่นเดียวกันก็คือเหมือนกับเราเอาน้ําเนี่ยไปรดพันไม้ที่ดีสิ่งที่เราควรจะต้องทํานักถ้าเป็นเกษตรก ร, กรคนที่เขารู้จากการที่จะปลูกพืช เขาเห็นวัชพืชอะไรต้นพันธุ์ที่ไม่ดีเขาก็จะตัดออกถอนออกด้วยซ้ําแต่ถ้ามันโตมาก็ถอนออกแตถ้ามันโตมาอีกก็ถอนออกอีกเช่นเดียวกันในใจของเรามีสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีท่านฟังอันนี้ก็จะยอมรับสิ่งที่ดีมันก็มีอันนี้เราก็ต้องยอมรับเวลาที่เราคิดดีมันก็มีไม่ใช่ว่าในเวลาเรานั่งสมาธิสามนาทีเนี่ยหรือ1ชั่วโมงก็ตามไม่ใช่ว่ามันจะฟุ้งซ่านอย่างเดียวช่วงที่มันสงบสงมันก็มีนาทีหนึครึ่งนาทีมันมีบ้างตรงนั้นนตรงี้ ถามว่าเราจะรดน้ํารวนดินให้ปุ๋ยพันธุ์พืชที่ดีที่อยู่ในใจของเราได้อย่างไรเราจะตัดต้นไอ้ที่มันเป็นพันชั่วในใจของเราออกได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอันไหนเป็นพันดีอันไหนเป็นพันชั่วพันดีคืออะไรพันดีในที่นี้พระเจ้าได้เปรียบเทียบกับเรื่องของสัมมัตตสิบนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์แปบวกกับสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติแต่เรื่องดีๆทั้งหลายแหละนั่นล่ะพูดง่ายๆ นะไรมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิดังควาเป็นชอบสัมมาสังกัปปะความดาริชอบสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวะนะสัมมาวามารสมาสติและสมาสมาธิพูดง่ายๆก็คือเรื่องของศีลสมาธิและปัญญานะปัญญานี่ก็ยังรวมถึงญาณะแล้วก็วิมุตติด้วยน่ะสมมติส10อย่างนะย่อรวมได้เหลือ3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาด้วยส่วนพันชั่วเป็นยังไงน่ะพันชั่วก็คือ เรื่องที่มันจะไปในทางผิดศีล น, นะก็คือมิจฉาต๊ะ10อย่างนั่นแหละนะก็คือมิจฉา mark แปอย่างบวกกับมิจฉาญาณะแล้วก็มิจฉาวิมุติเนร่วมเป็น10อย่างนี้เป็นมิจฉาต๊ะคือเรื่องที่ไม่ดีนะพูดง่ายๆก็คือเรื่องที่มันจะผิดศีลเรื่องที่มันจะเป็นไปในทางที่จะไม่มีสมาธิหรือสมาธิในทางชั่วหรือปัญญาในทางชั่วอันนี้คือเรื่องของความเปรียบเทียบแตนะ่ว่าในใจของเรามันมีทั้ง2อย่าง แตนะ่ถ้าเผื่อว่าพันุ์ไหนเนะี่ได้รับการรดน้ำปรวนดินมากสิ่งนั้นก็จะโตจะเติบโตมันอยู่ในใจของเรามีวิญญาณมีจิตของเราเนี่ยเป็นเปียบเสมือนพืชเพราะฉะนั้นพืชพันธุไหนเนะที่อยู่ในจิตของเราเนะีเราจะโตพืชพันธุ์ไหนเราต้องเลือกเอาเพราะนั้นเวลาที่มีผัสสะใดใดมากระทบก็ตามเนะห้เราตั้งมั่นไว้ในการที่จะปฏิบัติตามอริย ม, มัคมียองแปดได้ดาคือเราปฏิบัติตามอริย ม, มัคมียง8ดแล้ว ในเรื่องของความรู้แจ้งเรื่องของการหลุดพ้นมันก็จะก่อยตามมาเป็นผลที่เราคาดหวังได้เรารดน้ำปรวนดินใส่ปุ๋ยในต้นไม้ประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นพันดีก็ตามเป็นพันชั่วก็ตามนี่ยมันก็จะโตขึ้นมาเร็วในกรณีนี้เราจะต้องเลือกรดน้ำปรวนดินใส่ปุ๋ยในต้นที่ดีเราจะต้องตัดต้นที่ไม่ดีออกในวิธีการที่เราจะละเจะตัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจของเรา ความเพียรนี่ช่วยได้ความเพียรในที่นี้ก็คือความกล้าในการที่จะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกความกล้าที่ในการที่จะปลูกฝังเพราะบ่มสิ่งที่ดีให้มันดีขึ้นมาเวลาที่เราจะตัดต้นไม้ทงฝังแต่มันดีก็ต้องใช้กําลังใช้ความเพียรในการที่จะล้มต้นที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอสิ่งไม่ดีบางทีเราต้องใช้ความพยายามแต่สิ่งไม่ดีในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงภาษาที่ไม่น่าพอใจสิ่งไม่ดีในที่นี้หมายถึงการตอบสนองของจิตที่มันไม่ดี แต่ถ้าเราจะพูดไม่ดีนันดาว่าคิดไม่ดีมีความคิดในทางกา ร, รพยาบาทเบียดเบียนมีความขี้เกียจขี้คร้านมีสติลืมหลงมีการไม่สงบระ ง, งับมีความคิดฟุ้งซ่านมีนิวรณ์ต่างๆเราต้องรีบละส่วนต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าถ้าเราทรงไว้ในจิตของเรานานเข้านานเข้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะโตมันโตมันนั้นถ้าเราทรงไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไว้ในจิตของเรานานเข้านานเข้า นั่นเปรียบเทียวกับว่าการที่เราได้รถน้ําปรุนดินใส่ปุ๋ยเอพันธุ์ที่ไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นเราต้องละมันออกเมื่อไรก็ตามที่เราละออกจากใจนั่นถือว่าเราตัดกิ่งมันออกละนํราริดใบมันออกไละสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปแล้วถ้าเบอกว่าเราทรงจิตเอาไว้นนในความที่มีจิตสงบพยายามจะตั้งสติขึ้นนําความเพียรในรูปแบบต่างๆพยายามรักษาศีลเจริญภาวนาให้เห็นแจ้งแจ่มจรัสขึ้นมา ค่อยๆทำค่อยๆทำเนี่ยก็แบบสมมติว่าเราพยายามที่จะประคบประ ง, งมไอ้เจ้าพันธุ์พืชที่ดีขึ้นมานะีประคบประ ง, งมพันธุพืชที่ดีใส่ปุ๋ยรดน้ํารุดนดินพันุ์พืชที่ดีตรงนี้นะี่ยมา จ, จะเป็นต้นเล็กๆเป็นต้นกล้าเนะี่ยเราก็ค่อยๆทำท่ามผู้ฟังทุกคนนั่นแหละนะี่ยจะมีพืชพันธุ์ที่ดีอยู่ในใจอยู่แล้วจะมีพืชพันธุ์ที่ชั่วอยู่ในใจด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจิตดวงไหนนั้นะเลือกได้ในการที่จะทำความดีหรือเลือกได้ในการที่ทําความชั่วสันนิลก็ตาม สัตว์เดรัจานก็ตามนะเเบริอสุรกายอินพรหมเทวดาทุกคนนนะั้จิตก็จะมีส่วนที่ดีและไม่ดีส่วนที่เป็นบุญและส่วนที่เป็นบาปนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทําอย่างไรเราจะรดน้ําปรูนดินใส่ปุ๋ยในพันธุ์พืชแบบไหนก็อยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมากแนะถ้าจิตของเราอยู่ในส่วนที่ไม่ดีมากแสดงว่าพันธุ์พืชที่ไม่ดีของคุณนี้กําลังจเจริญ ง, งอกงามในจิตของคุณนะทำอย่างไรนะเราต้องค่อยๆตัดมัน นะตัดต้นมันตัดกิ่งมันตัดใบมันแลนะ่ถ้าเรายังไม่มีกําลังตัดเลื่อยยังไม่แข็งแรงพอเราก็ตัดจุดที่เราตัดได้พยายามเข้าแตนะ่แสดงว่าไอ้ต้นพันธุ์พืชที่ดีของเราเนี้ยมันยังเป็นต้นที่เล็กอยู่เนะี่ยน้อยอยู่เราก็พยายามที่จะใส่ปุ๋ยบำรุงมันนะอ่านหนังสือหรือว่าพิจารณาเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลหาฟังสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องดีๆนะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆการคบเพื่อนดีนี่จะทำใหอ้อริยมรตมีวงแปดเจริญได้ การรักษาศีนก็เจริญได้การมีสมาธิฐิก็จะทําให้อริยมรรคมีองค์แจเจริญได้ซึ่งมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้พันธุ์ดีในใจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมานอกจากนี้เรื่องของการฟังธรรมะเรื่องของการครบกับคนที่มีสีมีสมาธิมีปัญญามีจาระะการสารกัะชาพวกนี้ช่วยได้แน่นอนและช่วยจะทําให้ต้นเมล็ดพันธุ์พันุ์ที่ดีในใจของเราเติบโตขึ้นมาได้ อย่างหนึ่งที่รับฟังต้องทําความเข้าใจอย่ายไปสับสนแต่ว่าภาษะที่น่าพอใจกับภาษสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่ใช่เป็นพันธุ์พืชที่ดีหรือไม่ดีภัสสะนั้นเปรเียบเหมือนกับน้ํานี่ยที่จะมารดพืชตรงไหนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภาษสะที่พอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามนั่นเป็นน้ํานะน้ําที่จะมารดต้นไหนถ้าผัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นน้ํามาเอ๊เราจะมารดพันธุ์พืชที่ดีได้ไหมคําตอบคือได้ เพราะว่าเวลาที่น้ํามันมาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเจริญมัจนะทําสมัตต์สิบอย่างนี้ให้ตั้งอยู่ได้ไหมหเราจะเ ป, เป็นคนที่มีความอดทนพูดดีได้หรือไม่แต่นะถ้าเราทําได้ชื่อว่าคุณเอาผัสสะที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมาลดน้ำพันดีทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาทีนี้ผัสสะที่น่าพอใจล่ะนะเอามารดพันที่ไม่ดีได้ไหมได้เหมือนกันนะเพื่อนฟัง แต่บางทีเราเจอสิ่งที่ดีที่เราชอบเพลิดเพลินลุ่มห ล, มลงฟังเพลงกินอาหารอะไรอร่อ ย, ออยกินมากจนท้องอิ่มขึ้นมาขี้เกียจอ้าวอ้าวแล้วนะคุโนภาษาที่ดีนะนะที่คุณเป็นภาษาที่น่าพอใจมารดพันธุ์พืชที่ไม่ดีแล้วอันนี้เราต้องระวังต้องทําความเข้าใจว่าอะไรคือพันธุ์ดีอะไรคือพันธุ์ ไ, ไม่ดีทําความเข้าใจว่าอะไรคือน้ําอะไรคือต้นไม้นะภาษาท่านผู้ฟังไม่ใช่พันธุ์พืช บางทีเรามีพันธุ์พืชดีอยู่ในใจแต่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้เป็นไปได้มีอยู่พระเจ้าก็เคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเนะี่ยเหมือนกับคนที่กินยาดองน้ํามูดเน่านั่นละแต่มันเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจแต่ว่าแมมมันก็เป็นยานะเป็นสิ่งที่ดีส่วนภาษาที่ดีในะภาษาที่น่าพอใจแหมคําว่าดีเนี่ยจริงๆแล้วมันใช่และสับสนนิดหนึ่งเอาใช้คําให้มันรัดกุมนิดหนึ่งคำางเนะีคือภาษาที่น่าพอใจ นะเอามารดต้นพันธุ์ที่ดีได้กนะ็คือการกระทําของเรานะเราเจอสิ่งที่น่าพอใจคุณก็พูดดีกับเราก็พูดหวานกับเรานะเราไม่ลุ่มหลงในสิ่งนั้นอ่นันนี้คุนอาภาษาที่ดีนั้นมารดพันธุ์พืชที่ดีในใจของคุณแล้วนะคุณเจอภาษาที่ไม่ดนะีเราเอามาตัดไอพันธุ์ที่ไม่ดีนั้นออกได้ไหมไดนะ้ก็คือพอเราเห็นว่าคนก็ทําชั่วให้คนนี้ด่า ก, กันไว้ออกทีวีด้วยโอ้คนนี้โกงเละเทะเลย เห็นแล้วเราทำตั้งใจไว้ทำเครื่องขูดกล่าวไว้ว่าฉันจะไม่ทำแล้วก็คือเอาภาษ์ที่ไม่ดีเนี่ยเอามาตัดไอ้ปันพื้นที่ชั่วนั้นออกไปจากใจของเราแตอยู่ที่ว่าเราเจอเลือกใช้อย่างไรเรามีความฉลาดมีสติพอไหมในการที่จะเลือกใช้สิ่งที่มันเหมาะสมอย่าไปลุ่มหลงโมลเมาในสิ่งที่มันทาให้เราเพลิดเพลินพอใจ เพราะว่าเมื่ไรก็ตามที่เราลุ่มหลงมัวมองเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นภาษ萨ที่น่าพอใจเมื่อไหร่ถือว่าคุณเอาน้ํานั้นเอาภาษ萨นั้นไปบำรุงต้นพันธุ์ที่ไม่ดีในใจของเราแต่ถ้าเมื่อไรเราเจอภาษ萨ที่น่าพอใจที่ดีนาะอย่าลุ่มหลงเพลิดเพลินแต่ให้ตามเห็นโทษสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำนะไม่ประมาทรู้อยู่เอาเซฟอยู่ก็ไม่มีวนาะแต่ว่าอย่าให้มันลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นกินพอประมาณ รู้จักรักษาความพล่องในท้องอยู่เสมอณนะเสร็จแล้วเราก็รู้วิยในการที่จะออกจากความลุ่มหลงมัวมาตรงนั้นนั่นะคือการมีสมาธิเป็นต้นการรู้จักเห็นโทษของมันเป็นต้นณนะนี้ชื่อว่าเราเอาพรรษาที่น่าพอใจนั้นมารดพันธุ์พืชที่ดีในใจของเราณนะเราจเจริญมรรคเราทําสัมมาตาสิบอย่างนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ดีของเราก็จะค่อยโตขึ้นเต่บขึ้นนะมาปกคลุมครอบคลุมจิตใจของเรา นะสิ่งใดที่จิตใจเราทําน้อมไปมันก็จะให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่าได้แล้วถ้าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจละ่ะคนดา่าคนว่าเศรษฐกิจไม่ดีข่าวร้ายๆเนะเรื่องราวที่มันนึกดูแล้วฟังแล้วมันขยักขย้งนะ่ยไม่น่าชื่นใจไม่น่าพอใจเราตรงนั้นมาเฉานะนีตัดไอ้เจ้าพันธุ์พืชที่ไม่ดีนั้นนะ่ยให้ออกไปเนะี่ดยการที่ทําการเคลื่อน ก, กลูตกล่าวในใจเราว่าเราจะไม่ไปทําอย่างนั้น เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีฉันจะไม่ทำแต่เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราทําการศึกษาว่าไอ้ฉันจะทําตรงข้ามนะคนทําไม่ดีมากขึ้นฉันยิ่งจะต้องทําดีก็คือเหมือนกับเราลดต้นไม้ที่มันดีนั่นแหละนะให้ต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ดีนั้นเติบโตขึ้นในใจของเรายิ่งเจริญเติบโตได้เป็นผลหวานผลชุ่มฉ่าได้เอาเครื่องที่ไม่ดีของคนอื่นนํามาสอนตัวเราเองได้แล้วก็ต้องระวังเรื่องของวัชพืชตั้งบุฟัง เดีคือต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ดีมีผลที่มันจะให้เป็นรสหวานรสชุ่มฉ่าเนี่ยบางทีมันยังไม่ออกผลอย่างต้นมะตูมที่หลวงพ่อท่านมาปลูกเนี่ยว่าพืออกผลก็เป็นอีกหลายๆปีเดี๋ปีนั่นแหละ ก, กว่ามันจะได้ผลออกมาเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากําลังบํารุงเลี้ยงต้นไม้ของเราอยู่เนี่ยเราก็ต้องดูแลวัชพืชระวังวัชพืชที่มันจะเกิดขึ้นในพันธุ์ต้นที่ดีของเรานอกจากเราบํารุงเลี้ยงโดยการใส่ปุ๋ยปรวนดินรดน้ําแล้วเนอย่าลืมที่จะ คอยระวังพวกวัชพืชด้วยแต่วัชพืชก็คือพันธุ์ที่ไม่ดีนั่นแหละที่มันจะขึ้นมาปกกลุ่มหลังจาเราเพลอเปลินไปมวลเราใส่ปุ๋ยใส่ปูอ้าวไปใส่พวกวัชพืชอีกนต่วัชพืชก็ยิ่งโตเร็วและยิ่งมาแย่งอาหารของพืชพันธุ์ที่ดีมีวัชพืชเมื่อไหร่เราต้องรีบตัดออกแสออกลอกออกวัชพืช น, นี้แล้วก็เปรียบเสมือนพวกเครื่องก่องกวนต่างๆแต่บางทีในขณะที่เราทําสมาธิอาจจะมีนิวรณ์บ้างตรงนั้นตรงนี้เหนือเครื่องกางกัน้นความกังวลใจ เราพยายามที่จะละวางนะทําจิตให้สงบดูมันตามเห็นตามที่เป็นจริงในกาพิจารณาแก้ไขปาาัญหาไปแต่เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราเนี่ยเจอปัสสาวทั้งที่พอใจทั้งที่ไม่น่าพอใจมีอยู่ตลอดแตนะในขณะที่เราเจอปัสสาวที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีนะเราต้องมีสติสติเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะเป็นตัวควบคุมนะให้เราเอาเอ า, เอาน้ําไปลดต้นที่ดีนะเอาวัชพืชออก เห็นมีวัตถุบแล้วก็ตัดทิ้งเราจะต้องมีสติในการที่จะเลือกรู้เห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้แล้วในขณะที่เรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอยู่อย่างนี้เราจะไปหวังว่าต้นไม้มันต้องออกผลวันนี้ปุ่งนี้มาเลย น, นี้ไม่ได้นะผู้่อนฟังไม่ได้มันจะมีเวลาที่มันจะออกผลของมันพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับชาวนาชาวนาเขาก็ต้องมีกิดที่เขาจะต้องรีบทานั่นก็คือการที่พรวนดนนินให้ดี แล้ปรับพื้นดินให้ดีแล้วก็หว่านพืชหว่านพืชแล้วก็ไหน้ําเข้าบ้างแต่ถ้าฝนมันตกมากไปก็ไหน้ําออกบ้างนัน ก, กิจที่เขาต้องรีบทํามี3อย่างแต่การที่เขาจะมาบังคับว่าเอ้ข้าวต้องตั้งท้องวันนี้นะพรุ่งนี้ออกผลแล้วก็ต่อใบวันต่อไปจะเกี่ยวแล้วเขาจะไม่มีฤทธิ์หรืออํานาจที่จะทําอย่างนั้นได้เช่นเดีวยวกันนะบูฟังเราพยายามที่จะปรวนดินสะดน้ําใสปุ๋ยกําจัดวัชพืชต่างๆ แต่เราไม่มีอำนาจในการที่จะบอกว่าต้นมะตูมต้องออกผลแล้วน ะ, ะความดีออกผลสัทีสิจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะมันก็จะต้องมีเวลาที่จิตของเรานั้นจะค่อยอิ่มตัวขึ้นจะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมีความแกลกล้าในอินทรีย์ทั้งห้ามากขึ้นและมากขึ้นก็ค่อยเป็นไปค่อยเป็นไปนแต่กิจที่เราจะต้องกระทำนั่นคือการทำความดีนั่แหละเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพูดไง่ายๆก็คือมาร์กแ บวกกับอาการให้เห็นจริงการที่มีการปล่อยวางที่ถูกต้องนั่นะคือสัมมาญาณนะและสัมมาวิมุตติเป็นสัมมัตต์สิบอย่างนะั่เราไปฏิบัติตา ม, ระะ ม, ามาอริยมมิยงแปดไปในอีกสองย่างมันก็ค่อยงอกค่อยเติมเต็มขึ้นมานั่นเองปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลคือความหวานความชุ่มฉ่ำจะเกิดขึ้นได้ผลในที่นี้คืออะไรผลก็คือความหลุดพ้นนั่นเองคือในสัมมาญาณะอันหนึ่งนั่นะก็คือเรื่องของญาณคือความรู้ความเห็น นะความรู้ในการที่อัศวะจะสิ้นจนกระทั่งอัศวะสิ้นแล้วนะเป็นสัมมาวิมุตติเกิดขึ้นในระดับอาเสกะนั่นะคือผลสุดยอดละ่ะเคื อ, อนที่เราตัดกิเลสได้หมดก็คือสําเร็จถึงในขั้นอรตัตตผลนั่นเองนะเป็นผลที่สูงสุดใ น, ในธรรมะวินัยนี้นั่นเองเหมือนกับต้นไม้ที่เรารดน้ํารุนดินใส่ปุ๋ยอย่างดีแล้วใ น, ะนที่สุดผลมันก็ออกมานะออกมาให้เราได้ลิ้มรสความหวานความชุ่มฉ่าของมัน เนื้อเราพยายามมาตลอดหลายปีเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นี้ในที่สุดเราก็ได้กินผลเนื้อเราพยายามในการที่จะปฏิบัติของเรามาหลายปีเนในที่สุดมันจะต้องออกผลแต่เราจะไปสั่งมันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่ามันจะออกเมื่อไหร่ก็ออกของมันแต่ถ้าเราทําถูกวิธินะนื้รดน้ํำบนดินใส่ปุย๋ยเนะืรู้จักป้องกันวัชพืชเนะืเราจะทําให้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ดวันนี้ครัานเจ้าพราพิบาลบุญอพี่ปุลโนจากวัดป่าดนไหนโ่โศกขอลาไปก่อน โอ้วันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเริ่มปาน